ภาวนาพุโทโธไม่ได้หยุดแค่สมถะและอีกในหนึ่งการภาวนาพุโทโธบางท่านก็กล่าวว่าภาวนาพุโทโธนั้นอย่างดีก็ได้แค่สมถะกรรมฐานอันเนี้ยขอท่านผู้ฟังทั้งหลายลองพิจารณาดูซิว่านักภาวนาทั้งหลายนั้นจะพากันโง่งไปทั้งโลกเชียวหรือ ในเมื่อทุกทุกท่านก็ได้ทำการภาวนาพุโทโธจิตสงบลงไปแล้วนิ่งสว่างจนกระทั่งตัวตนหายไปหมดยังเหลือแต่สภาวะจิตที่รู้สว่างอยู่เฉยเฉยและเมื่อจิตเข้าไปตั้งอยู่ในฐานสมถะหรือวิปัสนาสมาธินั้นถ้าจิตนิ่งอยู่อย่างนั้นตลอดไปจิตก็ไร้สมถภาพในการที่จะเกิดความรู้ต่างๆขึ้นมาแต่มีร ที่จิตจะนิ่งอยู่อย่างนั้นตลอดการเมื่อไปนิ่งอยู่ในอัปปนาสมาธิชั่วระยะหนึ่งแล้วจิตก็จะถอนออกจากอัปปนาสมาธินั้นเมื่อจิตมีอาการถอนออกมาไม่ความคิดก็ต้องลมหายใจผุดขึ้นมาในความรู้สึกนักปฏิบัติผู้ฉลาดจะช่วยโอกาสยกจิตขึ้นสู่ภูมิวิปัสนาในขณะนั้น